มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ที่สุขที่จเจริญ <c oughs> ที่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ธรรมะที่ท่านจะได้ฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในตายโลกกท่านในตายพบว่าคืออะไรอะไรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่สุด สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสั้นและนำมาสั่งสอนก็คือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็คือใจใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าใจนี้แหละคือผู้ที่ เป็นอะไรต่างๆในตายพบใจเป็นมนุษย์ใจเป็นเทพใจเป็นพรหมใจเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าและใจนี่แหละที่จะเป็นเบลฉานที่เป็นเปรตเป็นอิสัยลกายและเป็นนรกอยู่ที่ใจผู้เดียว และผู้ที่ทำให้ใจไปเป็นอะไรต่างๆก็คือการกระทำของใจนั่นเองถ้าใจกระทำโดยความหลงใจก็จะไปสู่ที่ต่ำไปสู่ทุกขติไปสู่อบายถ้าใจทำด้วยธรรมะถ้ามีธรรมะคอยสอนใจ มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคอยสอนใจก็จะไปสู่สุคติไปสู่ภพชาติที่ดีไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พรหมโลกและไปสู่พระนิพพานตามลำดับไม่มีอะไรที่จะ เป็นสิ่งที่สำคัญเท่ากับใจและเป็นสิ่งที่ใจควรจะให้ความสำคัญกับตนเองพยายามดูแลตนเองให้ได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบตามลำดับแห่งการศึกษาแห่งการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าใจไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าใจก็จะไปสู่ความทุกข์ต่างๆถ้าใจมีคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าใจก็จะหลุดออกจากความทุกข์ต่างๆไปสู่ที่สิ้นสุดของความทุกข์ก็คือพระนิพพานดังนั้นสิ่งที่มีความสำคัญต่อใจ ก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้าถ้าไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้านี่ใจจะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่ใจของพวกเรา กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ใจของพวกเรานี้ยังวีนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบกันอยู่พบนี้เราได้มาเป็นมนุษย์กันพบต่อไปเราก็อาจจะไปสูงก็ได้หรือเราจะไปต่ําก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เรากําลังทํากันอยู่ในพบนี้ชาตินี้ถ้าเรา ทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะเป็นผู้ที่จะดินใจของเราให้ไปสู่สุขคติตามระดับของบุญที่เราได้ทำไว้ถ้าเราทำบุญทำทานใจก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราจเจริญสมาธิเข้าฌานในระดับต่างๆได้เราก็จะไปสู่พรมโลก และถ้าเราจเจริญปัญญาในระดับต่างๆได้เราก็จะไปสู่มรรคผลผนิพพานถ้าเราไม่มีธรรมะถ้าเราทำแต่บาปเพราะเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเราคิดว่าเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องหลอกกันเพราะว่าไม่รู้ว่าใครไป หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใครไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปถ้ามีความเห็นอย่างนี้ก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องการทำบุญเรื่องการทำบาปก็มักจะไปทำบาปกันเพราะการทำบาปมันง่ายกว่าการทำบุญใจนี้มีผู้ที่คอยจะยุโยงส่งเสริมให้ไปทำบาปมากกว่าให้ไปทำบุญ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องนรกในเรื่องสวรรค์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพราะไม่สามารถรู้ได้หรือเห็นได้ว่าใจผู้ใจเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปเพราะใจนี้ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายร่างกายนี้ มีรูปร่างหน้าตาที่สามารถจับต้องได้ที่เห็นได้และเห็นได้ว่าถ้าไปทำบาปอย่างมากก็คือก็ไปติดทุกติดตารางหรือถูกจับประหารชีวิตไปแต่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่อไปก็เลยทำให้ไม่กลัวเรื่องของการทาบาป เวลาที่มีผู้ยุยงก็คือกิเลสตัณหามายุยงให้ไปทำบาปก็จะทำได้อย่างง่ายดายเพราะจะถูกหลอกให้เห็นว่าการทำบากนี้ทำให้ได้รับความสุขได้รับประโยชน์ต่างๆก็เลยอาจจะทำบาปอย่างไม่กลัวเกรงผลของบาป เขาคิดว่าอย่างมากก็ตายก็แค่ตายได้ยังไงไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องตายไปอย่างอย่างแน่นอนแล้วเรื่องอะไรที่จะอยู่อย่างทุกข์อยู่อย่างยากลําบากเพื่อทําความดีต่างๆในเมื่อเราสามารถที่อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ด้วยการกระทําบาปต่างๆนี่คือความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ ไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจหรือไม่เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องโกหกพกลมคิดว่าเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้ทำความดีไปเท่านั้นเองแต่ผลของการทำความดีหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่ไม่มีเพราะไม่ไม่รู้ว่าใครไปเป็นผู้ไปรับผล นี่คือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเพราะไม่มีการมาศึกษามาริ่มเรียนมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือใจ แต่เป็นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายก็เลยอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่มองเห็นใจนี้คิดว่าไม่มีใจไม่มีผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว<ม>แต่ถ้าได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งคำสอนและ ได้เรียนรู้วิธีให้เราได้เข้าถึงตัวใจนี้ให้เราได้พบได้เห็นตัวใจตัวผู้รู้นี้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของร่างกายเป็นผู้ที่สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆและก็เป็นผู้ที่รับผลของการกระทําต่างๆผ่านทางร่างกาย ผลก็ได้ตั้งแต่ขณะที่ทําเลยก็คือเวลาที่ทําบุญใจก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจที่ได้ทําบุญใจที่มีความอิ่มเอิบมีความสุขใจนี้ก็จะไปเป็นไปสวรรค์ไปเป็นสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆอันนี้ ถ้าศึกษาแล้วฟังเทศฟังธรรมและนนำเอาไปปฏิบัติได้คือปฏิบัติจิตภาวนา mm hmm. การที่เราจะเข้าถึงใจได้เราต้องฝึกการปฏิบัติจิตภาวนาคือขั้นสมถะภาวนาขั้นทำใจให้สงบ mm hmm. ด้วยการพยายามควบคุมความคิดต่างๆให้ยุติลงให้ได้ เพราะถ้าสามารถควบคุมความคิดให้หยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งสงบแล้วใจก็จะเริ่มเห็นว่ามีอะไรอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในขณะที่ใจไม่สงบก็ก็คือเห็นใจนั่นเองเห็นตัวรู้เห็นผู้รู้ขึ้นมาเห็นว่าผู้นี้แหละที่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเพราะใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายจึงไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองแต่เวลาที่ใจไม่หยุดความคิดความคิดก็เลยจะมามาบดบังตัวใจตัวรู้ ทำให้ไม่เห็นตัวรู้ตัวใจเห็นแต่เพียงความคิดเท่านั้นเองอก็เลยไปคิดว่าความคิดนี้อยู่กับร่างกายเป็นส่วนประกอบของร่างกายมเมื่อร่างกายตายไปตัวคิดก็หมดไปทุกอย่างก็จบไปที่เรียกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็ไม่มีผลอะไรตามมาอีกต่อไปทางกฎหมายก็ไม่มาเอาเรื่องเอาเรา เป็นนี้เป็นสินกี่ร้อยล้านพันล้านเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเอาจากคนตายไปได้ไม่สามารถจับคนตายไปลงโทษได้อีกต่อไปแต่เขาไม่รู้ว่าผู้ที่ยังจะต้องไปรับโทษต่อไปนั้นก็คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตายใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้อยู่ไปตลอด แต่ต้องอยู่แบบไหนอยู่แบบรับผลบุญและอยู่แบบรับผลบาปเท่านั้นเองถ้าไม่มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีโอกาสที่จะไปทําบาปมากกว่าจะไปทําบุญเพราะว่าผู้ที่มีมอิทธิพลต่อใจผู้ที่คอยกระซิบคอยสั่งนี้ เป็นผู้ที่ไม่ชอบทำบุญชอบทำบาปก็เห็นว่าการทำบาปนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้หาความสุขทางร่างกายได้อย่างง่ายดายก็เลยมักจะไปทำบาปทำเพราะว่าต้องการความสุขทางร่างกายต้องการความสุขจากการมีลาบยศสรรเสริญ ต้องการความสุขจากการได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆและการที่จะได้สิ่งเหล่านี้มานี้วิธีง่ายก็คือวิธีทำบาศจะเป็นการชอบโกงหลอกลวงหรือเป็นการจี้เป็นการพร้นเป็นการฆ่าผู้อื่นอนี้เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการที่จะต้องมาทรมาหากินแบบซื่อสัสตย์สุจริต รายได้ก็ไม่มากมายไม่รวดเร็วต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากว่าจะได้เงินมาสักบาทหนึ่งผู้ที่มีความมักง่ายผู้ที่ต้องการความสุขแบบง่ายๆแบบเร็วๆก็มักจะถูกกิเลสตัณหาของตนเองหลอกให้ไปหา ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิริลดด้วยวิธีการทำบาปต่างๆแล้วก็ไปไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปสร้างนารกสร้างอบายให้กับตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเวลาที่ร่างกายตายไปเวลาที่ตา เวลาที่ตนไปตกนรลกไปเกิดในอบายก็ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรเป็นมาได้อย่างไรเวลาไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นเดรัจฉานได้อย่างไรก็ไม่มีความรู้ที่จะมาวินิจฉัยและมาแก้ปัญหาที่ตนเองกำลังตกอยู่ก็ต้องยอมรับกับสภาพ ของผลของการกระทาบาปของตนไปอยู่ในอบายไปจนกว่าบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้หมดอำนาจลงหมดอิทธิพลต่อใจก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาทำบาปใหม่ตามเดิมตามนิสัยเดิมเคยทาอะไรไว้ก็จะติดเป็นนิสัย ก็จะทำแบบนั้นโดยหากินแบบทุจริตก็จะกลับมาหากินแบบทุจริตต่อไปแล้วก็จะอยู่ในโลกนี้ไปจนกว่าจะตายร่างกายอาจจะมีความสุขมีความสบายแต่ใจนี้หาความสุขไม่ได้เลยใจก็จะต้องทุกไปกับอำนาจของบาปที่ตนได้ทำไว้ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว น, นี่คือเรื่องของผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นชอบมีมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็จบพอร่างกายตายไปแล้วไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปทำบุญไปก็เสียสตางค์ไปเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทาบุญ ทำบาปนี้กับได้รับประโยชน์ทำบาปแล้วได้เงินได้ทองได้ลาบยศถรัเสริญได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะชนิดต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายดายและรวดเร็วจึงพาให้ผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความหลงผิดเป็นชอบนี้จะไปกระทำบาปกันอยู่เรื่อยๆทุกภพทุกชาติ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกขติโอกาสที่จะไปผุดไปโผ่ไปเกิดในสุ ข, ขติไปเป็นเทพไปเป็นพรหมหรือไปเป็นพระอริยบุคคล น, นี้แทบจะไม่มีเลยสำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเชื่อว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจนี้ยังมียังอยู่ยังมีดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่จะไปเกิดต่อไปที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปจะไปเกิดเป็นเทพบ้างก็ขึ้นอยู่กับชนิดของบุญที่ได้ทําไว้ไปเกิดเป็นพรหมบ้างไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าบ้างก็พยายามอดทนเวลาอยู่เป็นมนุษย์ก็พยายามหักห้ามจิตใจเวลาที่มี จิตใจที่ฝ่ายต่ำจะคอยฉุดลากให้ไปกระทาบาปเพื่อความอยู่อย่างสุขอย่างสบายทางร่างกายก็ยอมอดยอมทนยอมอดอยากลำบากยากจนแต่จะไม่ไปทําบาปเพราะกลัวการที่จะต้องไปตกนรกหรือการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกาย บุคคลเหล่านี้ก็จะพยายามหักห้ามจิตใจเวลาที่เกิดความอยากที่จะทำบาปแล้วก็พยายามบังคับจิตใจให้มันทาบุญอยู่เรื่อยๆมีมากมีน้อยก็ทําบุญไปตามกำลังแทนที่จะใช้เงินไปเพื่อหาความสุขแบบแบบผ่อนไฟความสุขแบบกิเลสตัณหา โดยความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆก็คอยหักห้ามจิตใจเอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญทาทานดีกว่าเพราะเมื่อได้ทำบุญทาทานแล้วใจก็จะได้รับความสุขใจอิ่มใจซึ่งเป็นความสุขที่มีพลังมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆ แล้วถ้ามีโอกาสได้พบกับนักบวชก็อาจจะได้เรียนรู้วิธีการหาความสุขที่ลึกซึ้งกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานก็คือความสุขที่ได้จากการฝึกจิตใจทาจิตใจให้สงบทาจิตใจให้นิ่งเป็นสมาธิ<อ>เวลาจิตใจนิ่งสงบนี้ใจจะเกิดความสุขขึ้นมา ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงในบรรดาความสุขทั้งหลายในในโลกนี้ไม่มีความสุขอใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบแล้วถ้าได้พบกับผู้ที่ฉลาดที่มีปัญญาที่รู้ว่าใจนี้เป็นใจที่ยังไม่เป็นอิสระภาพ เป็นใจที่ยังติดอยู่กับอำนาจของความทุกข์ต่างๆความทุกข์ที่คอยกดดันคอยทำให้จิตใจนี้ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าได้เจอบุคคลผู้ที่ฉลาด mm. เช่นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า mm. ก็จะได้เรียนรู้เรื่องปัญญาเรื่องสาเหตุของใจที่เป็นทุกข์ว่าเกิดจากอะไร เรื่องาเรื่องของสาเหตุของใจที่จะต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั้นเกิดจากอะไรและจะได้เรียนรู้ว่าแล้วการที่จะทำให้ใจนี้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องทำอย่างไรบ้างถ้าได้เรียนได้ได้รู้ได้ศึกษาและได้นาเอาไปปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีโอกาสที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอันยาวนานที่ผ่านมานี้ก็จะได้ยุติลงได้ถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี ก็จะสามารถที่จะทําให้ใจนี้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถึงแม้ว่าจะต้องพัดพรากจากบุคคลที่รักที่ชอบหรือถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้าย หรือเชิญกระชินกับบุคคลต่างๆที่เลวร้ายใจก็จะไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวใจสามารถอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างสบายถ้าได้มีการศึกษาได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งที่สำคัญต่อใจใจเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสัตว์โลก และสิ่งที่สำคัญต่อใจที่จะทำให้สัตว์โลกนี้อยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายอยู่ในสุขคติหรืออยู่อยู่ในพระนิพพานก็ต้องมีธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้นำทางถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่างมากที่ ใจจะสามารถทำให้กับตนได้ก็คือทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสติได้เพราะเรื่องของการทำบุญทำทานก็ดีเรื่องของการฝึกจิตการทำสมาธิก็ดีนี้ก็มีผู้ได้รู้ได้เห็นได้ศึกษากันมาอย่างอย่างต่อเนื่องแทบทุกภพทุกชาติก็จะว่าได้ว่าต้องมีคนที่รู้จักการทำบุญทำทาน รู้จักวิธีทำใจให้สงบแต่เรื่องของการที่จะรู้วิธีที่จะทำให้ใจหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้านนี้จะต้องมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้เท่านั้นคือจะต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระอริยสงสาวกก็ดีมาสอนมาบอกถึงจะสามารถที่จะออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าไม่มีพระมุตสาสนามาคอยสอนก็ยังมีผู้ที่มีผู้ที่เคร่งคัดในการรักษาศีลผู้ที่ชอบทำบุญทาทานผู้ที่ชอบแสวงหาความสงบจากการปฏิบัติจิตตภาวนาก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนอบรมจากบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้ อย่างน้อยถึงแม้ว่า ย, ย, ยังยังไม่ได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติ<ม>คือถ้าเชื่อเรื่องบุญทำบุญไม่ทำบาสรักษาศีลห้าได้ทำบุญได้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทพเป็นสอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอหมดจากตกจากสวรรค์ลงมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะ กลับมาทำบุญทำทานมารักษาศีลใหม่แล้วถ้าได้เรียนรู้วิธีฝึกจิตทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิได้เข้าฌานได้ก็<ม>จะเวลาร่างกายตายไปใจก็จะไปสู่ครมโลก<ม>ไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเป็นสวรรค์ที่มีความสุขสูงสุดในตายพบแต่ยังไม่สามารถที่จะพาให้ใจ หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาฝึกสมาธิเกิดมารักษาศีลมาทำบุญทำทานใหม่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันไปเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดในสุคติก็ดีกว่าพวกที่ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกติสุคตินี้มีแต่ความสุข มีความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์แทบจะไม่มีมีน้อยกว่าส่วนทุกขตินี้เป็นเป็นที่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขความสุขนี้แทบจะไม่มีมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปเป็นเดรัจฉานก็ดีไปเป็นเปรกก็ดีไปเป็นนสุรกายก็ดีไปตกนรกก็ดีสถานที่เหล่านั้นจะทำให้จิตให้ใจนี้มีแต่ความทุกข์อยู่ มากกว่ามีความสุขนี่คือเรื่องของโลกเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพุทธศาสนาอย่างมากที่เราจะทำได้ก็คือเวียนว่ายตายเกิดในสุคติถ้าเราคอยมีนิสัยที่ชอบทำบุญทำทานชอบรักษาศีล ชอบฝึกสมาธิอยู่เราเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาทำแบบเดิมแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในสุขติแต่ยังก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจะสอนให้เรารู้ว่าเหตุที่ดึงให้ใจเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในในายภพก็คือตัณหาทั้งสามความอยากต่างๆได้แก่การมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองถ้าเราต้องการที่จะยุติ การมาเกิดเราก็ต้องตัดความอยากต่างๆเหล่านี้การมาตัณหาคือความอยาก เ, าเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภาวะตัณหาก็คือการอยากมีอยากเป็นหรือความอยากมีความสุขอยากรูปประชาน อ, อันนี้เป็นเรื่องของภาวะตัณหาและมีภาวะตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น แลยอยากได้ความสุขของของรู ป, ปรของอรูปฌานเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เพราะยังอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดถ้าอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องกลับมาเกิดในกลามาพบพบของมนุษย์ของเทวดาของสัตว์เนราชาผู้เสกกลามนั่นเอง ถ้าอยากจะเสบรูปประชานนะก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเข้าฌานมาเสบรูปประชานนะแล้วถึงเวลาตายไปก็ได้ไปสู่รูปรพบพบของรูปประพรมถ้าชอบเสบรูปอารูปประชานก็จะไปเกิดในพบของอารูปประชานแต่พบเหล่านี้ก็เป็นพบชั่วคราวในไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีก ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในตายพบเลยก็ต้องตัดความอยากในตายพบให้หมดไปตัดความอยากในการมาพบด้วยการยุติการเสบรูปเสียงกลิ่นลดตัดความอยากในรูปพบด้วยการยุติการเสบรูปประชานตัดการไปเกิดในอรูปพบด้วยการยุติการความอยากเสบรูประชาน ถึงจะสามารถที่จะทําให้ใจนี้สามารถเล่นลอดหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวีนว่ายตายเกิดได้และการที่จะเล่นลอดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ใจก็ต้องมีเครื่องมือมีการกระทําที่จะผลักดันให้ใจนั้นได้หลุดออกจาก วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ได้สิ่งที่จะผลักดันให้ใจหลุดออกจากวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ก็เกิดจากการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตัดสั้นมาเกิดในโลกนี้จะสอนวิธีการ ให้สัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปสู่ระดับที่สูงสุดตามลําดับแห่งการปฏิบัติตามลําดับแห่งพลังหรือกําลังของผู้ปฏิบัติเบ mm ื hmm. ้องต้นนี้ท่านจะสอนให้ละการกระทําบาปทั้งปวง กานจะสอนสามระดับด้วยกันหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งพวงเพื่อปิดประตูบายสองให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ให้มากที่สุดตามกำลังก็จะยกระดับใจให้ขึ้นเหนือจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การไปเป็นเทพแล้วก็สามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา ก็ยกระดับใจให้ขึ้นสู่ระดับพรมและระดับพระอริยบุคคลตามลําดับต่อไปนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามมาตัดสู้แล้วนาเอาความรู้อันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนี้ก็จะสอนเหมือนกันทุกๆพระองค์สอนให้ละการกระทําบาปทั้งปวง สอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตัดความอยากต่างๆตัดกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหาด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญสมาธิและปัญญาตามลาดับนั่นเองนี่คือสิ่งที่ สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้ามีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เราจะต้องพยายามปฏิบัติทำสามข้อเหล่านี้ให้ได้และ้องพยายามทําให้มันได้ในภพนี้ชาตินี้จะเป็นการดีที่สุดเพราะไม่มีอะไรรับประกันว่าภพหน้าชาติหน้าเมื่อเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง เราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าเราไม่ได้พบโอกาสที่เราจะสามารถปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี้เป็นไปได้ยากถึงแม้ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในพบนี้ก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้าถึงระดับที่ไม่เสื่อมคือระดับของพระอริยบุคคลคือระดับของพระโสดาบันขึ้นไปนี้ โอกาสที่เราจะกลับมาปฏิบัติมาสอนตัวเราให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นไปไม่ได้เลยยกเว้นว่าถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วนี้ถึงแม้ว่าเราจะต้องกลับมาเกิดอีกแต่ความรู้ในทางดำเนินสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะฝังอยู่ในใจเราจะไม่มีวันลืมไม่มีไม่มีวันลืมจากใจของเรา พอเกิดมาปั๊บมันก็จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปมีอะไรที่จะต้องคอยละต่อไปความอยากอันใดที่ยังมีอยู่ก็จะต้องหาวิธีละมันไปให้ได้มันจะรู้มันจะฝังอยู่ในใจเพราะมันจะเห็นทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้มันจะทำให้ใจร้อนเป็นไฟขึ้นมาทำให้ใจนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็จะรู้ว่านี่คือตัวปัญหา ที่ทำให้ใจนี้วุ่นวายทำให้ใจไม่มีความสุขก็จะต้องพยายามผลิตปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมาทำลายที่จะมาหยุดความอยากอันนี้ให้ได้ <S <S อันนี้เป็นเรื่องของพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วไม่ไม่ต้องมีใครมาสอนต่อก็ได้แต่ถ้ามีก็จะทำให้ทำงานให้ได้ง่ายขึ้นและเสร็จได้เร็วขึ้น เพราะยังมีงานอีกสามขั้นขั้นพระสะกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอ า, ารมีแต่ถ้าไม่มีใครสอนก็สามารถที่จะคาทางไปได้ที่จะสามารถลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่าเวลามีผู้ที่คอยมาคอยบอกคอยสอนวิธีการข้ามขั้นต่างๆว่าจะต้องทาอย่างไรบ้าง แค่ น, นั้นเองถ้าอยากจะมีความมั่นใจว่าเราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถยุติได้ในภพนี้ชาตินี้ก็ขอให้เราได้เข้าสู่พระอริยบุคคลเข้าสู่ธรรมของพระอริยขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือขั้นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้แปลว่าผู้เข้ากระแสของพระนิพพานนี่ง เวลาเราเข้ากระแสน้ำพัดนิ่ถทางกระแสน้ำพัดไปสู่ทะเลเราก็จะไปที่ทะเล<ม>เพราะน้ำมันจะไม่ไปที่อื่นมันจะไหลลงทะเลเช่นแม่น้ำเจ้าพยาเริ่มต้นจากทางเหนือลงมาถ้าเราอยากจะไปทะเลเราเกาะติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพยาไปล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวแม่น้ำเจ้าพยาก็จะพาเราออกทะเลไปในที่สุด ไม่มีการไม่มีวันที่จะหลงทางไปทิศทางอื่นได้ถ้าเราอยู่ในกระแสของแม่น้ําด<ม>ังใดกระแสของพระนิพพานก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ใดสามารถเข้าเข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้พระกระแสของพระนิพพานนี้ก็จะพาให้ไปสู่พระนิพพานตามลําดับผ่าน<ม>ขั้นที่สองคือขั้นสกิราคามีขั้นที่สาคือขั้นอนนาคามี และขั้นที่สี่ก็คืออนนาคามีแล้วก็ไปถึงพัฒนิพันธ์ในที่สุดเหมือนกับแม่น้ําเจ้าพยาก็พาพัดผ่านจังหวัดต่างๆพัดผ่านมาจากทางเหนือลงมาสู่ทางภาคกลางลงมาสู่กรุงเทพมหานครแล้วในที่สุดก็ออกไปสู่ทะเลตามลําดับต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสของพัฒนิพันธ ผู้ที่เข้ากระแสได้นี่ก็เรียกว่าพระโสดาบันพระสโสดาบันนี้ถ้ายังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ในจำนวนภบชาติที่ที่มีอยู่ก็จะแต่ก็จะสามารถบรรลุได้ภายในไม่เกินเจ็ดภพชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองนี่ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวถ้าได้ขั้นที่สามนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็ไปบรรลุถึงพระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปนี่คือสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสถ้ายัางไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ในภพนี้ชาตินี้เพราะว่าอาจจะเกิด มีเรื่องของกรรมวิบากกรรมเก่ามาทำให้เกิดการสะดุดเกิดการยุติการปฏิบัติเจ่นอา จ, จะตายไปก่อนเคยมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนหรือมีอุบัติภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี้สามารถไปต่อได้ด้วยตัวเองขราวหน้าพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะดำเนินปฏิบัติ ยาเิญปัญญาเพื่อชำระความอยากที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจให้หมดสิ้นไปตามลําดับได้โดยต้องไม่ไม่โดยไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์คนนั้นสั่งสอนแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ถ้าได้ไปหาท่านก็อาจจะทําให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วซึ่งบางครั้งเราก็คงอาจจะเห็นคนบางท่านที่มาปฏิบัติธรรมพอได้ปฏิบัติธรรมแล้ว สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้ทํามามากแล้วและได้มาต่อยอดมาทะมาได้ผู้ที่สอนคอยแนะแนวทางที่ดีที่ถูกที่ควรให้ไปไ ป, ปฏิบัติก็จะทําให้ไม่เสียเวลาทําให้พุ่งเข้าสู่ประเด็นของการปฏิบัติเข้าสู่ประเด็นของการละปัญหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ อันนี้การมีครูบาอาจารย์ก็มีคุณค่ามีประโยชน์มากแต่ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมแล้วพู้ที่มีธรรมขั้นสูงกว่าเราถ้ามีครูบาอาจารย์ที่มีธรรมขั้นต่ำกว่าเรานี้อาจจะลำบากเพราะครูบาอาจารย์ก็อาจจะสอนไปตามขั้นของท่านท่านก็จะดึงให้เราลงต่ำได้<ม>เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าธรรมขั้นสูงกว่านี้มีอยู่และมีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าธรรมของท่านที่ท่านกําลังปฏิบัติอยู่ก็ได้ ดังบางทีการไปหาครูบาอาจารย์ก็บางทีก็อาจจะต้องดูว่าทำที่ท่านให้กับเรากับทำที่เรามีอยู่แล้วนี้อันไหนมันเหนือกว่ากันถ้าทำที่ท่านให้เรานี้มันน้อยกว่ามันต่ํากว่าทำที่เรามีอยู่เราก็อาจจะต้องไปหาครูบาอาจารย์รูปใหม่ที่มีธรรมที่สูงกว่าที่สามารถดึงใจของเราให้ได้ไปขึ้นไปสูงกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ แต่ถ้าเราไม่สามารถหาไขาได้เลยถ้าเรามีทำท่าใจเราอยู่ในกระแสแล้วเราสามารถที่จะหาทำได้ด้วยตนเองเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาใช้เวลาทดลองทดลองลองผิดลองถูกหรือใช้วิใช้เวลาเฝ้าดูอากับกิริยาต่างๆของใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น แล้วถ้าคอยสังเกตดูไม่ช้าก็เร็วก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ออพอเรารู้ว่าเหตุที่จะทําให้มันหยุดความอยากเราก็จะเอาเอาเหตุนั้นมาใช้กับการหยุดความอยากได้อันนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องทดลองด้วยตนเองลองผิดลองถูกไปแต่าจะไม่ไม่ไม่หลงทางเพราะจะอยู่ในกระแสลองผิดลองถูกอยู่ในกระแส ไม่ได้ออาน้องเหนือกระแสไปยังอยู่ในวงของอริยสัจสียังอยู่ในวงของไตรลักษณ์อยู่เสมอไม่ทิ้งไตรลักษณ์ไม่ทิง้งอริยสัจสี 4. ในการที่จ ะ, จะเจริญปัญญานี่คือเรื่องของการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพนี้ชาตินี้ถ้าเราได้มาเจอกับพระอริยบุคคลผู้ที่สามารถนำมาทรมันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มาสอนให้เราได้เข้าเข้าใจได้อย่างง่ายดายและสอนให้เราได้ปฏิบัติได้ผลได้อย่างง่ายดายก็ถือว่าเป็นเป็นโชคของเราเป็นวาสนาของเราที่ได้มาเจอของดีและสามารถเอาประโยชน์จากของดีได้แต่สำหรับบางคนที่ได้มาเกิดแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึง ผลประโยชน์อันเลิ่ของพระศาสนาได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคไม่ดีถึงแม้ว่าได้เจอของดีแต่ยังไม่สามารถที่จะจักดวงประโยชน์สุขของพระพุทธศาสนาได้แต่อย่างน้อยถ้ายังข อ, ขอให้มีศรัทธาให้มีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นของดีของวิเศษจริงจริงของที่จะช่วยทำให้จิตใจ นั้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็ขอให้มีความเพียรพยายามความยินดีที่จะปฏิปฏปฏบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในระดับที่เราสามารถทําได้ระดับที่หนึ่งท่านก็บอกให้สอนให้เราปิดประตูบายกันละการกระทําบาปทั้งปวงของการไม่ทําบาปนี้มันมันง่ายกว่าการทําบาปเยอะแยะนะ การนั่งเฉยๆปิดปากนี่มันก็ก็ไม่ได้ทําบาปนะเวลาจะเวลาจะพูดปดนี้ต้องคิดก่อนว่าจะหลอกเขาอย่างไงดีร่องพูดอย่างไงดีมันง่ายมันยากกว่าเวลาจะทําบาปเวลาจะขโมยของของคนอื่นนี่ก็ต้องนั่งคิดก่อนว่าเฮ้เวลาไหนเขาไม่อยู่บ้างไปขโมยตอนไหนดีเวลาไหนดีเราจะเข้าบ้านของเขาได้ยังไงมันต้องใช้ความคิดต้องใช้ความพยายามวางแผน เวลาไม่ขโมยเขานี่รู้สึกจะง่ายกว่าเยอะๆก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปบ้านเขาไม่ต้องไปหยิบของของเขาเท่านั้นเองมันก็จบแล้วถ้าพูดตามความจริงนะมันง่ายนะการรักษาศีลมันไม่ยากการละอบายามุขนี้มันไม่ยากที่มันทําให้ยากก็คือตันหาความอยากกิเลสของเรานั้นะความอยากได้อยากได้ของของเขามันก็เลยทำให้การที่ไม่ไปขโมยขอ ง, ของเขานี่มันยาก พราเมื่อมันอยากแล้วมันใจมันดิ้นมันเหมือนเด็กที่อยู่ในท้องแม่มันดิ้นอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องคอยหาวิธีทําให้มันไม่ดิ้นวิธีที่จะทําให้ใจหยุดดิ้นก็คือต้องไปทําตามที่ใจอยากอยากได้ของของเขาไปขโมยของเขาอยากจะได้แฟนของเขาก็ไปแย่งแฟนของเขามานี่อันนี้มันมันเป็นของยากมันทํายากแต่มันทําให้ต้องทําเพราะว่ามันเวลาไม่ทําแล้วมันทรมานใจ ใจมันดิ้นมันหดหดกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกังวลกังวายนี่แหละตัวที่ร้ายกาจก็คือตัวกิเลสตัวตันหาความอยากตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจที่ทำให้เราจะต้องไประ ง, งับความวุ่นวายใจด้วยการไปกระทำบาปซึ่งเป็นการที่ยากกว่าการไม่กระทำบาปอย่างตอนนี้ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ทาบาปกันนั่งเฉยๆมันง่ายจะตายไปไม่ั้งไป โกหกหลอกลวงใครไม่ต้องไปลักขโมยของของใครเพราะตอนนี้ยังไม่มีความอยากถ้าเกิดความอยากขึ้นมาไม่แน่นั่งเฉยเฉยไม่ได้ใจมันไม่เฉยแล้วมันกิเลสมันคอยคอยดันคอยดิน้นเนี่ยปัญหาก็คือตัวความอยากที่ทําให้เรานี้ไม่ไม่ทํำบาปได้ยากแต่พู้ตามหลักความเป็นจริงแล้ว การไม่ทําบาสง่ายกว่าการทําบาปเพราะการไม่ทําบาปก็คือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องไปรักทรัพย์ของเขาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของเขาไม่ต้องไปพูดหวานล้อมโกหกหลอกลวงด้วยวิธีการต่างๆมันง่ายจะตายไปมันยากจะตายไปการทําบาปแต่ที่ทําไมเราต้องทํากันเพราะใจของเรามันมีตัว ตัววุ่นวายตัวที่มาสร้างความไม่สุขให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบให้กับใจของเรามันก็เลยทําให้เราต้องไปทําบาปกันแต่ตอนนี้เราได้ได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าผลของการกระทําบาปเป็นอย่างไร <c oughs> ไร่างกายตายไปแล้วนี่ยังมีผู้ไปรับผลบาปต่อ ถึงแม้ว่าฆ่าคนแล้วอาจจะไม่ติดคุกติดตารางหรือทำบาปช่อโกงคอรับชั่นกงเงินกองทองของผู้อื่นก็อาจจะไม่ติดคุกก็ได้ถ้ามีเงินหนีไปอยู่ต่างประเทศก็อาจจะทำให้ไม่กลัวการกระทำบาปก็ได้แต่ความเป็นจริงก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลของบาปที่จะต้องรับซึ่งอาจจะรับก็ได้ไม่อาจจะรับก็ได้แต่ผลที่จะต้องรับแน่ๆก็คือต้องไปใช้บาปในอบาย ตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่จะไปได้ร่างกายของเดรลฉานต่อไปไปเกิดเป็นแมวบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นเสือเป็นอะไรบ้างก็เกิดจากการทําบาปหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยแล้วก็เรียกว่าเป็นเปรตถ้าเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เรียกว่าสูนลกายถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เครียดแทนอาฆาตพยาบาท โหร้ายทารุนก็จะไปไปอยู่ในนรกนแล้วสภาพของวิญญาณเหล่านี้เป็นอย่างไรก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับ เ, เวลานอนหลับถ้าเราฝันร้ายนี่ยแหละอันนั้นคือสภาพของนรกสภาพของของเปรตสภาพของอสุรลลกายมันอยู่ที่ใจของเราใจของเราจะสร้างนรกขึ้นมาสร้างสร้างความเป็นเปรตขึ้นมาสร้างความเป็นอสุรลลกายขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติทมไม่ได้ฝึกสมาธิจะไม่จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าใจไม่ได้หันเข้ามาข้างในใจถูกกิเลสหลอกให้หันออกไปหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงหันหลังให้กับความเป็นจริงของใจว่าใจของตนในขณะนั้นอาจจะเป็นเดรัจฉานแล้วก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่ทั้งทั้งที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่ แต่ไปทําบาปทํากรรมนี้ด้วยความหลงนี้มันก็ทําให้ใจกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้ว<ม>ไปทําร้ายผู้อื่นเพื่อ<ม>เพื่อเอารัดเอาเปรียบเขา<ม>ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อการอยู่รอดถ้าเราไปฆ่าผู้อื่นเพื่อการอยู่รอดของเราอันนี้มันก็เราใจของเราก็เป็นเดรัจฉานขึ้นมาแต่เรามองไม่เห็นเพราะใจเราไม่ได้หันกลับเข้ามาดูข้างในใจเรามัวแต่ไปดูข้างนอกดู ดูราบยศสระเสริญดูรูปเสียงกลิ่นรสดูอะไรต่างๆที่ทางตาหูจมูกนิ้วกายมันก็เลยทาให้เราไม่เห็นอาบายที่กำลังเป็นอยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยากที่จะเห็นเพราะว่าจะเห็นได้นี้ต้องทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนใจถึงจะกลับเข้ามาเห็นข้างหไนได้ถ้ายังไม่เห็นก็ขอให้เชื่อเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านพูดความจริงและท่านไม่ได้มาหลอกลวงเอาเงินเอาทองอะไรจากเราท่านไม่ได้มาสอนเหล่านี้เพื่อให้เรามาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านอยู่ได้โดยไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีวัดไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าตอนตัดสั้ก็ไม่มีวัดพระพุทธเจ้าอยู่คนไม้อยู่คนไม้ ไม่มีวัดมีวาล่ะไม่ได้ไม่มีไม่มีการเลี่ยไรเบริจากของเงินทองเพื่อมาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆท่าอยู่ของท่านได้โดยไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ดังนั้นไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลนันใดๆที่จะทําให้ท่านต้องมาหลอกลวงเราเพื่อมาหลอกให้เรามาทําบุญทําทานเพื่อจะได้เอาเงินนี้ไปสร้างบัานสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ให้สวยให้งามนี้ไม่มีในใจของท่านเหล่านี้ที่ท่านมาสอนนี้เพราะท่านเห็นความจริงเห็น เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดกับพวกเราพราะพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดกําลังจะเดินไปขอบเหวอย่างเงี้ยท่านก็ต้องรีบมาเบรคเพราอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปแล้วเดี๋ยวมันจะตกไปในเหวนะอแต่เราไม่รู้ไงเราก็บางทีถ้านดื้อก็ช่วยไม่ได้ถ้านดื้อเดินไปเดี๋ยวก็ตกเหวตกไปในอบายถ้าพวกไหนที่เอ๊ะเอกใจขึ้นมาเฮ้ยเขาอาจจะมีตาเราที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะทําไมเราไม่เชื่อเขาดูบ้างอ่ ถ้าอย่างนี้เราก็อาจจะปลอดภั ย, ยงั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเห็นจริงๆเห็นว่าข้างหน้าทางที่เราจะเดินนี้มันเป็นอะไรมันเป็นสวรรค์หรือมันเป็นะบายมันเป็นนรกหรือเป็นอะไรท่านเห็นท่านรู้ท่านถึงมาบอกเราว่าถ้าเราทับเดินไปทางนี้เราจะต้องไปตกเหวอย่างแน่นอนถ้าเราไปทางนี้เราก็จะขึ้นที่สูงได้ท่านถึงสอนให้เราละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงบาปก็มี อยู่4ข้อใหญ่ๆก็คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีโกหกหลอกลวงส่วนข้อที่ห้านี้มันเป็นอบายมุกมากกว่าบาปคือการดื่มสุรายาเมาที่ต้องรวมอยู่ในศีลห้าเพื่อเราะว่าการจะทำบาปนี้ถ้ามันทำง่ายเวลาที่มันเมาเวลาไม่มีสติคนเหล่านี้เวลามีสติมักจะรู้จักหากข้ามจิตใจรู้จักผิดถูกดีชั่ว แต่พาเวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี่ไม่รู้จักหักห้ามจิตใจไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วตอนนั้นเหมือนกับคนคนคนหลับไปอย่างนั้นครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เลยต้องห้ามไม่ให้ดื่มุซาเพราะการดื่มุซลานี้มันจะทำให้ไม่มีสติคอยคอยยับยั้งจิตใจเวลาคิดที่จะไปทำบาปแล้วก็ห้ามไม่ให้เสพอย่างอื่นอบายามุขอย่างอื่นเช่นเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืน ความเกียดค้านคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรการกระทาเหล่านี้มันมีแต่โทษไม่มีเกิดประโยชน์กับใจเพราะมันจะทำให้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับแล้วเมื่อมันรายจ่ายมากกว่ารายรับไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปหาหาเงินหาทองโดยวิธีทุจริต<ม>ไปโกหกหลอกลวงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นขึ้นมามมก็เลยต้องห้ามไม่ให้เสพอบายามุขด้วย ถ้าเราไม่อยากไปอบายก็ทำตามแค่นี้รักษาศีลห้าไว้แล้วก็อย่าเสพอบายมุขอย่าดด่นสุรายามาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าเกียดข้านให้ขยันธรรมากินด้วยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อย่าไปคบคนที่ชอบอบายมุขเพราะเขาจะชวนเราไปเสพอบายมุขนั่นเองถ้าเราทำได้แค่นี้เราก็ปิดประตูอบายได้แล้วมันไม่ยากเย็นตรงไหนเลย มันมันที่มันยากก็เพราะเกิดความอยากขึ้นมาคนที่เคยติดสุรามาแล้วเนี่ยมันถึงยากพอถึงเวลามันก็เปี้ยวปากขึ้นมามันก็อยากจะดื่มสุราคนที่ติดการพนันก็เหมือนกันพอถึงเวลาก็ใจก็ยุกยักแล้วท่ต้องไปเข้าบ่อนเข้าอะไรไปคนที่ชอบเข้าวซ้องชอบเที่ยวงคืนก็ถึงเวลาก็อยากจะไปมันมันติดความอยากมันเป็นตัวคอยผลักดันมันถึงทําให้การที่จะละเว้นสิ่งอันนี้มันยาก แต่ถ้าพวกเราไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจก็ถือว่าพวกเรามีบุญพวกเราอาจจะเป็นพวกที่วนเวียนอยู่ในสุขติถ้าเราไม่มีใจที่คิดอยากจะทำบาปไม่มีใจคิดที่อยากจะดื่มสุรายาเมาไม่มีใจที่อยากจะเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนหรือมีความเกลียดแค้นนี่ก็ถือว่าเราเป็นพวกโชคดีพวกเราเป็นพวกพวกพวกสุขติพวกนี้เราก็ถ้าถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าการไม่ทาบาปนี่มันง่าย การไม่เสพอบายมุกมันง่ายเพราะเราไม่ชอบอยู่แล้วไม่ชอบทำบาปไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบรักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติถิตประเพณีไม่ชอบโกหกไม่ชอบดื่มของมึนเมาไม่ชอบเล่นการพนันไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบความเกียจคร้ไม่ชอบคนที่เสพอบายมุกก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นพวกอบายแล้วแต่เป็นพวกสุขติเราเว้นว่าตายเกิดในสุขติ แต่เราจะอยู่ในสุขติระดับไหนเราก็ต้องดูต่อไปว่าเราชอบอะไรบ้างถ้าเราชอบทำบุญทำทานเราก็จะอยู่ในสุขติระดับเทพสวรรค์ชั้นเทพถ้าเราชอบการฝึกสมาธิชอบไปวัดไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลานั่งสงบแล้วใจมีความสุขชอบไปถือศีลแปดอย่างนี้ชอบละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้แสดงว่าเรากาลัง อยู่ในระดับของพร ม, มโลกถนะ้าเราชอบชอบนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วถ้าเราชอบฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้วิธีการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปว่าเราจะต้องกาจัดอย่างไรเราต้องพิจารณาความเป็นจริงของสิ่งที่เราอยากเราอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วต้องพิจารณาความจริงว่าร่างกายของเรานี้มันทาให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่า ความอยากของเราทำให้มันไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้แต่ความอยากที่ไม่อยากความอยากไม่เจ็บไม่ตายม้มันทำให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากมันเท่านั้นเองเพราะยังไงเราก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เพราะร่างกายมันเป็นอนิจจามันไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันมีทั้งเจ็บมีทั้งไม่เจ็บเนีย มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปเปลี่ยนกันมาเราห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนจะตกแดดออกนี่เราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ห้ามไม่ให้แดดออกไม่ได้เวลาฝนจะตกก็ต้องปล่อยมันตกไปเวลามันแดดมันจะออกมันก็ปล่อยมันออกไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้มันตกเช่นตอนนี้ถ้าเกิดฝนจะตกนี่ใจเราไม่อยากใจเราเริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันที ก็ตกก็ปล่อยมันตกไปเท่แล้วก็นั่งฟังเทศของเราไปจะเป็นอะไรไปน้ําฝนไม่ได้ทำให้เราตายเท่หร่อาบน้ํามันเปียกมากกว่านี้ยังอาบได้ซักเสื้อผ้ามันเปียกมากกว่านี้ยังเปียกได้แล้วเพียงแต่มานั่งฟังเทศฟังทํามต้อมีเครื่องเครื่องปรับอากาศมีน้ํามาทําให้ให้มันเย็นสบายแล้วกลับไปวิ่งหนีมันทําไมแล้วก็ควรจะนั่งต่อไปถ้าเราไม่มีความอยากไม่ไม่เปียกเราก็นั่งทนนั่งนั่งอยู่กับฝนได้ ใจก็เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนอนี้คือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความอยากของเราทำให้เราทุกข์เราไปอยากในสิ่งที่เรามันเป็นไปไม่ได้มันถึงทุกข์อย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บจะตายก็ต้องให้มันเป็นไปอยากให้คนนั้นคนนี้จากเราไม่อยากไม่ไม่ให้เขาจากเราไปก็ห้ามไม่ได้ เวลาเขาจะไปเขาก็ไปถ้าเราอยากให้เขาไม่ไปเวลาเขาไปแล้วก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเขาจะไปก็ต้องปล่อยให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์มีวิธีการดับทุกข์ด้วยปัญญาที่เราจะต้องศึกษาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จากการที่จะมาคอยสังเกตดูเวลาที่ใจเราทุกข์เราก็ดูว่ามันเกิดจากความอยากอะไรมันต้องเกิดจากความอยากเท่านั้นน่ะที่ทําให้ใจเราทุกข์ อยากได้ก็ดีหรืออยากไม่ได้ก็ดีมันก็ทําให้เราทุกข์ได้ อ, อถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะเข้าถึงตัวตัวปัญหาหลักก็คือความอยากตัวที่สร้างความทุกข์ตัวที่ผลักดันให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วพอเราสามารถหยุดมันได้ด้วยใจรักด้วย อ, อริยสัจสี่ความอยากในที่สุดก็จะหมดสิ้นไปจากใจของเราใจของเราก็จะหมดปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากจะไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ใจของเราก็จะอยู่ที่นิพพานอันนี้แหละคือใจที่ประเสริฐที่สุดที่พวกเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เพราะตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนาผู้ที่จะมาสอนวิธีทำใจของเราให้เลิ่ให้ประเสริฐได้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติพระธรรมคาสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วการที่เราจะได้สิ่งที่เลิ่ที่ประเสริฐจากพระพุทธศาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน การแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาทาวาวิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินางเปตานางอุป ก, ปกปัปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจะตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาระโสยถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติยวิวาจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนสีลิศานิจังวุทฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวัทานติ No <Sal ud. S 1> อาโยวันโสุขังาลาสาธุต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอย่างถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้ แต่อย่ามาถามตอนที่เราเลิกแล้วนะเพราะจะไม่ไม่สะดวกที่จะตอบจะสะดวกเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียววันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบน้ำาพาาระเจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะ พระอาจารย์ทาง Facebook 476ท่านทาง YouTube พระอาจารย์303ท่านทางด r V c h a ร n ว l ชาน61ท่านวิทยุออนไลน์9ท่านครับเพา7ท่านหน้ากุติ208ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,1064 ท่านเจ้าค่ะมีคนอยากจะถามคองถาม กราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะคือพูดดังๆหน่อยจ้ะกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะคืองานที่ข้าพเจ้าทําอยู่เป็นงานตอนนี้เป็นงานที่ถูกข้าพเจ้าทําคิดว่าข้าพเจ้าทําถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจผู้ร่วมงานทําให้ถูก ตำหนิหรือถูกว่ากล่าวในทุกๆวันพยายามตัดใจไม่คิดไม่เก็บมาคิดในแต่ละวันแต่พอทุกเช้าที่ไปทางานก็โดนตำหนิในรูปแบบเดิมอีกก็ง่า<ำ>ยปัญหาง่ายเราไม่ชอบตำหนิทั้งอย่างเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้จะชอบตำหนิวันนี้ไม่มีใครตำหนิเราเลยอยากจะให้ใครเขาตาหนิเราหน่อย จะได้สบายใจ mm. มันก็แค่คำพูดเท่านั้นตำแหน่เลือกคําชมมันก็คำพูดเท่านั้นเราไปเลือกชอบเรื่องชังมันก็เราก็เลยทุกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องสลับ เ, เลิกชอบเลิกชอบความชมแล้วก็ไปชอบความชังให้เขาชังเราให้เขาตำแหน่เราแล้วเราก็จะมีความสุขทั mm. ้นั้นนีงปัญหาอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่เขาเราไปให้เขา ตำหนิเราเงไม่ตำหนิเราไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้เราเปลี่ยนใจเราได้สลับขั่วเท่าน่อยนั่นเองสลับจากการไม่ชอบให้เขาตํำหนิมาชอบให้เขาตํำหนิเวลาเราได้ในสิ่งที่เราชอบเราเยอะกสิ่งนั้นไงมีความสุขไหมเห็นไหมตอนนี้ก็เลี่ยงเลี่ยงที่บางทีก็เลี่ยงการปะทะโดยกันไม่พูดแล้วก็ไม่ไม่ก็ไม่สําเร็จหรอกพูดไม่พูดมันไม่ได้อยู่ที่ที่เราพูดไม่พูดมันอยู่ที่เขาจะตําหนิหรือไม่ตํำหนิ ซึ่งเราก็ไปห้ามเขาไม่ได the ้ถ hmm. ้าเขาชอบตําหนิเขก็ตําหนิแหลกนะเขาเจอใครขก็ตําหนิไปหมดค่ะแล้วก็เขียนย้ายงานก็มีคนคนที่เขียนย้ายเขาก็ต้องการตัวเราแต่บางทีเราก็เสียดายความสามารถที่เรามีงานเดี๋ยวก็ไปเจอเหมือนกันแหละการตําหนินี้หนีไม่พ้นหรอกอยู่ที่ไหนก็เจอถ้านนบอก ส่วนพระเจ้าอย่าอยู่ที่นี่เลยคนตําหนิเรามากพระเจ้าก็ไปอยู่ที่ไหนก็เจอทั้งนั้นแหละนั้นอยู่กับมันไปหัน อ, อ, อยู่กับมันไปเท่า้เราจะได้สบายใจหันอยู่กับมันชอบมันเท่านั้นเองแต่ถ้าชอบคําตําหนิแล้วเราก็มีความสุขทุกวันนี้ก็มีคนมาตําหนิเราว่าคิดว่าเป็นเหมือนคําชมก็แล้วกันคํามยิงคําตําหนิมันถ้ามันคําตําหนิที่ที่เป็นความจริงก็ดีนะเป็นเหมือนงานชี้คุณทรัพย์ให้กับเรา ถ้าเราทําอย่างนี้ผิดไม่ดีนะไม่ควรจะทําทะถ้าเราดูเออจริงนะันเราทําผิดออขอบใจก็สิเรามองไม่เห็นฟังให้ฟังแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ผิดแล้วเขาว่าเราผิดก็แสดงว่าเขาตาบอดเขาทำนั้นเองไม่จำเป็นต้องไปเถียงกับเขาหรอกพยานน ะ, ะเราต้องแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่คนอื่นแก้ไม่ได้หรอกคนอื่นย้ายจากที่นี่ไปเดี๋ยวไปข้างหน้าก็มีรับประกรันได้ ในโลกนี้ที่ไม่มีการตําหนินี่ไม่มีนอกจากไปอยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ตําหนิตัวเองเนี่ยใช้ทุกวันนี้เหมือนก็ตําตหนิตัวเองก็ไม่รู้ว่าผิดที่ตรงไหนหรือทำผิดที่ไหนตรที่เราบอกไงมันผิดตรงที่เราไปชอบไม่เขาไม่อยากเขาตำหนิเราก็เปลี่ยนก็อยู่แค่นั้นไปหยุดไม่ให้อยากให้เขาตําหนิเราปล่อยให้เขาตำหนิเราเขาอยากจะตาหนิเราก็โอเคขอบใจจ้า ยินดียินดีรับฟังรัถังนั่นเองนะเราไปแก้โลกนี้ไม่ได้โลกนี้มีคําตําหนิทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวงการไหนมีมีตําหนิทั้งนั้นวงการขอทานก็มีตําหนิวงการสูงใหญ่ขนาดไห น, นก็มีการตําหนิกันเป็นธรรมดาอันนี้เป็นสันดานของกิเลสที่มีใ น, ในใจของทุกคนกิเลสชอบตําหนิคนอื่นไม่ชอบตําหนิตัวเอง <c oughs> นอกจากว่าเวลาไม่มีคนอื่นทำเองแล้วเข้ามาทำให้ตัวเอง <laughs> <c oughs> จนบางทีทำดีเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอ่เนี่ยแล้วก็พูดให้ฟังแล้วคนไม่ฟังคนไม่เชื่อก็ไม่รู้ทยังไงเราไม่ทําดูก็แล้วกันค่ะ น, นะโอเคนะคะอขอบพระพคุณครับทำมาอีกคนมีคน กลับขอบความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะยงกลับข อ, บอาถามว่าควรจะมีเครื่องอยู่ของจิตอย่างไรที่ไม่ใช่ทั้งในรูปฌานและในอารูปฌานเพื่อที่จะเป็นอิสระจิตที่อิสระสมัครผลวิานอย่างแท้จริงเจ้าค่ะก็ต้องมีปัญญา <c oughs> มองว่าทุก อ, อย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอน เรอยากให้มันแน่นอนไม่ได้เจ้าค่ะแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับทุกอย่างไปอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปเจ้าค่ะต้องยอมรับความจริงของโลกนี้ว่าเป็นโลกอ น, นิจจงไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับเป็นธรรมด า, าเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้เจ้าค่ะรับปัจจุบันเสร็จมีสติอยู่กับ จิตนิ่งบ้างอยู่กับความว่างบ้างอยู่กับลมบ้างรู้ขันเคลื่อนบ้างาแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังจิตยังไม่อิสระอย่างแท้จริงเจ้าค่ะไม่มีปัญญาขาดปัญญาต้องทำอย่างไรต่อสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะแล้วเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายวายวางาอันนี้เรายังยึดยังติดอยู่ อย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่มันก็เลยทําให้เราไม่เป็นอิสระเราอยากเป็นอิสระก็ปล่อยเขาปว่อยให้เขาเป็นอิสระแล้วเราก็จะเป็นอิสระเราอย่าผูกใจของเราไว้ไว้กับเขาเพราะเขาไม่แน่นอนเขามีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงๆถ้าเราอยากจะเป็นอิสระก็อย่าไปผูกใจเราติดกับเขาปล่อยเขาไปเจ้าค่ะอยู่กับธรรมที่อยู่ปัจจุบัน ไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะรู้เฉยๆรู้ว่ามีเกิดมีดับเอารู้ว่ามีดีมีเชื่อรู้ว่ามีตำรนิมีคำชมย่านของธรรมดาในโล่งนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กันนกลับค่ะพระคุณเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมานากุติเจ้าค่ะ ภาวนาด้วยพุโทโธกำกับลมหายใจแต่ไม่เจอลมหายใจเริ่มฝึกหนึ่งสัปดาห์เจอแต่ความฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิจะหากรรมฐานที่ตรงกับตนเองได้อย่างไรกราบสาธุเจ้าค่ะกรรมฐานมันตรงทุกอย่างเพีเดงแต่เราไม่ใช้มันเท่านั้นเองทัานพุโทโธได้สองคำก็หยุดแล้วฉนั้นกรรมฐานอะไรที่ถูกกับเราถ้าเราไม่ใช้มันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ มันต้องใช้มันไปนั่งไม่ใช่นั่งเฉยๆตอเริ่มต้นกับพุโทโธสองคำแล้วจะปล่อยให้มันเป็นอัตโนมัติมันไม่อัตโนมัติหรอกอต้องขยันพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอคำถามต่อไปกราบนัรมการพระอาจารย์ลูกขอคำชี้แนะ ที่บ้านยุงเยอะมากลูกจะใช้เครื่องดักยุงกับใช้ยาฉีดพ่นยุงจะบาปไหมคะลูกควรทําอย่างไรใช้ยุงลวดดีกว่าไม่บาปมุงลวดเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุดถ้าออกข้างนอกก็ทายากันยุงข้หน่อยไดย้หรือจุดยากันยุงก็ได้ถ้าไม่อยู่ในมุงลวดก็ซื้อยากันยุงมาจุดแต่อยาไปฉีดท่ามันถ้าฉีดการมันได้ก็ ก, ก็ฉีดไปถ้าฉีดแล้วมันได้กิ่นแล้วมันไม่มาก็โอเค แต่ยังไม่ฉีดใส่ตัวมันฉีดใส่ตัวมันแล้วมันจะตายมีคำถามทางช่องดรวีเจ้าค่ะทำยังไงให้ตัดใจจากความรักที่ไม่สมหวังได้คะพระอาจารย์ก็มองว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวไม่มีอะไรสมหวังไปได้ตลอดได้มาวันนี้อาจจะสมหวังพรุ่งนี้เขาอาจจะจากเราไปก็ได้หรือเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ให้มองว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราว ไม่มีวันที่จะสมหวังไปได้ตลอดถ้าไม่อยากจะผิดหวังก็อย่าไปมีอะไรอย่าไปหวังอะไรจากใครแล้วก็จะไม่ผิดหวังคำถามต่อไปขอกราบนะมันชการพระอาจารย์ค่ะทุกใจในที่ทำงานมาก ลูกน้องแทงข้างหลังขี้ฟ้องร้องไห้หัวหน้าก็เกิดความลาเอียงเราพูดอะไรก็มาปกป้องตลอดทั้งที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีโยนถังขยะใส่ตอนกินข้าวจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยเขาทำไปอย่าไปห้ามเขาอย่าไปย้า้เขาเป็นอย่างอื่นปล่อยให้เขาทำไปก็ทำนั่นเอง คำถามต่อไปกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะสีนข้อห้าถ้าเราดื่มเหล้าหรือของมึนเมาแล้วไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือตัวเราเองเดือดร้อนดื่มแล้วนิ่งเราจะบาปหรือผิดศีลหรือไม่เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะผิดศีลเพราะว่ามันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เมาแล้วเราก็จะทาอะไรไม่ได้จะนั่งสมาธิก็ไม่ได้จะไปทาบุญก็ไม่ได้จะไปทาอะไรก็ไม่ได้ ง้อย่าไปดื่มมันดีกว่าคำถามจาก YouTube พระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณ b ีบีกับ กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากคุณพ่อคุณแม่อยากให้มีบุตรเพื่อสืบสกุลและมีคนเลี้ยงดูยามชลาแต่ส่วนตัวแล้วไม่อยากมีด้วยไม่อยากมีภาระและอยากปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งในชาตินี้ควรจะพูดกับท่านอย่างไรดีเจ้าค่ะก็บอกเขาถ้าอยากได้ก็จะให้แล้วเอาไปเลี้ยงแทนเราก็แล้วกัน <laughs> คำถามต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะลูกส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดจนเข้ารอบแต่ถูกอาจารย์ผู้คุมโครงการเอางานไปให้ผู้อื่นทำต่อในชื่อหนูแต่ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่หนูออกแบบไว้จะวางใจอย่างไงให้ไม่ผิดหวังเสียใจยเจ้าคะ่ะก็มันเป็นเรื่องสุดวิสัยของเราเมื่อมันหลุดออกจากมือเราไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปทาอะไรได้ ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของมันไปคำถามจากเฟซบุ๊เจ้าค่ะจากคุณสุวิมลกราบด้วยเสียงกล้าวเจ้าค่ะขอกราบขอากาสครูอาจารย์อีกครั้งที่จะช่วยไขยปัญหาแก่สิท์งโง่เป็นพระคุณอย่างยิ่งเจ้าค่ะ หนึ่งการประเคนอาหารถวายพระตามสายวัดป่าที่มีรถใส่อาหารไหลไปมีจำนวนมากหนักสำหรับคนคนเดียวจะใช้สองคนประเคนได้หรือไม่เจ้าคะได้กี่คนก็ได้ไม่มีข้อห้า ม, มคำถามจากช่องด็กเตอร์วีเจ้าคะ่ะจากคุณใบยกพระอาจารย์เจ้าคะ ยิ่งภาวนาลูกจะยิ่งนั่งสมาธิและจิตสงบเร็วและการที่เราวางเฉยกับสิ่งต่างๆได้หลายเรื่องนั้นเพราะปัญญาที่เกิดจากการที่จิตใจเราสงบใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่หรอกปัญญามันเกิดจากการที่เราเห็นว่าเราต้องปล่อยวางเราต้องเฉยๆส่วนการได้จากสมาธิก็คือการรู้จักทําใจให้เฉยๆแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราอาจจะไม่ทํำใจให้เฉยก็ได้ เนั้นปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นว่าการที่เราจะสบายไม่วุ่นวายใจเราก็ต้องปล่อยวางเราต้องเฉยเฉยไปใครจะชมก็เฉยเฉยไปใครจะด่าก็เฉยเฉยไปใครเอาของของเราไปถ้าห้ามขอไม่ได้ก็ปล่อยแห้งอ้อไป คำถามจากคุณสุกัญญากราบนมัสการถามเจ้าค่ะการที่เราอยากมีคู่ครองเป็นกิเลสใหม่เจ้าค่ะเป็นเป็นเนี่ยก็อยากมีคู่ครองเป็นกิเลสแน่นอนก็เรียกกามาตัญหาเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดอยเรื่อยๆกลับมามีคู่ครองเรื่อยๆมันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วก็ติดยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีก็พอสมควรแก่เวลาสําหรับวันนี้